อันนี้พูดถึงว่าคนที่รอบรู้ไอ้ไ อ, องประกอบของจักสูเป็นอย่างดีก่อนใช่ไหมรอบรู้องค์ประกอบของจักสูซึ่งตัวหลักๆที่ทําให้ตัวมีจักร ค, คืออะไรปัทวีอาปโปเตโช ว, วายโยปัทวีอาปโปเตโชมาจากอะไรกรรมกรรมทำไมกรรมจึงให้ผลเพราะรูปปตัตนหาเพราะชอบดูนั่นแล้ะจึงมีตานะว่าง่าย ชาติที่แล้วก็จะชอบดูเหมือนชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังชอบดูก็ชาติหน้าก็ไม่แคล้วที่จะมีตาตาจะเอียงจะเขจะเหลือกจะเหลืองจะยังไงก็ไม่ทราบนะว่ายทิ้งสรุปตัณหาเขาทาให้มีตากันแล้วกันเอาทำไมจึงชอบชอบดูชอบเห็นล่ะทําไมจึงมีฉันทราค่าในเห็นเพราะอวิชชาคือเนื่องจากไม่รู้โดยเฉพาะไม่รู้นิโรธสัตว์ ไอ้ที่เป็นความเย็นอย่างสูงสุดก็เลยชอบของร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าผู้ที่ไม่เห็นจักสุตามความเป็นจริงเนี่ยซึ่งพร้อมกับเหตุเกิดเนี่ยปกติอะไรจะเกิดหนึ่งสุภาวิปลาสสองนิจะวิปลาสสามอตตาวิปลาสสี่สุภาวิปลาส ปกตินะจักสูจะเป็นที่ตั้งของวิปปาราสเหล่านี้อะไรเออมันขาดอะไรคบนี่ขาดสุขขาสิ ส, สุขขาวิปาราสคือเพราะวิปาราสที่มีในจักสูนะคือตัวจักสูมันก็เกิดจากปัจจัยของมันแบบนี้แหละแต่ปกติผู้ที่ไม่ได้เจริญนะสุภาพวิปาราสคือไม่ได้เจริญกายานุปัสนา ผู้ที่เป็นนิจวิปปาราตคือไม่ได้เจริญจิตานุปัสนาผู้ที่มีอัตาวิปปาราตคือไม่ได้เจริญธรรมานุปัสนาผู้ไม่ได้เจริญไม่เห็นผู้ที่มีสุขาวิปปาราตคือไม่ได้เจริญเวทนานุปัสนาเพราะถ้าไม่เจริญวิปปารานะถ้าไม่เจริญถ้าไม่เจริญวิปปารมันจะให้อา น, นิสงส์เหมือนกันคือเนี่ยมหาอ่อนนี้ มาเข้าอะไรมาเข้าตันหาเพื่ออะไรเพื่อทํากรรมเห็นเมื่อไหร่บั่งที่ไม่ทํากรรมอย่างน้อยเก็บมาคิดก่อนเมื่อเห็นเนะียต้องคิดก่อนรับรู้นี่ถือว่าคิดแล้วท่า น, นก็แบ่งกรรมมาได้นะก็ไปแบ่งกรรมมาทุกเรื่องนะวันนี้ไปร้านหนังสือไปปล่อยปลาเนี่ยรับมาทุกกรรมเลยนะจะให้ผลเป็นยังไงนะชาติหน้านะยังห่วงเกิดมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์เข้าจะเสียดายแย่เลยนะอดดูกับเขาเลยนะ แล่วก็อันนี้แหละถือว่าเป็นวิปลาดนะผู้วิปลาดปกติมันจะอยู่ในสี่อย่างนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งสําหรับผู้ที่ไม่เจริญวิปัสนาทั้งหลายทีนี้ถ้าผู้ที่เห็นแล้วละวิปลาดอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะแทงตลอดตรงมีโรดขึ้นมาอย่างที่เราคุ้นเคยนะถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนเมื่อไหร่มันก็ปล่อยวิปลาดจะปล่อยวิปลาดได้ต่อเมื่อมี นิโรธเป็นอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันอยู่ที่ปริมาณของการตามเห็นเพื่อละวิปลาสได้แค่ไหนอยู่ตรงนั้นนะข้อปฏิบัติอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราไปค้นคิดเอ้มันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ระหว่างกราบหรือยังไงเนี่ยนะสมัยนะก็เริ่มคิดนะเอ้นี่พ่ามันอยู่ระหว่างกราบแถวนี้หรือยังไงหรือว่าเอ๊มันเป็นยังไงหรือมันอยู่กลับข้างหรือมันต้องพลิกลงอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างจักสุหรือมันอยู่ข้างหน้าหรือมันอยู่ข้างหลังหรือมันต้องผ่าเอียงผ่าเสียกผ่า เส้นองศายังไงเนี่ยนะไปคิดแบบนั้นเนี่ยจะหาไม่พบอยู่แล้วไม่ใช่การคิดเพื่อเพื่อแทงตลอดพระนิพานไม่ได้คิดแบบนั้นคือทำยังไงที่จะละวิปลาสในจกักรุได้อะถ้าละวิปลาสเมื่อไหร่ต่อเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์เพราะที่เหลือจะต้องเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดวิปลาสในจกักรสุอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าจริญอ่าโดยวิปัสสนาเหล่านี้บริบูรณ พวกนี้มันเป็นศัตรูกันอยู่แล้วปฏิปักสองตัวเนี่ยนะถ้าเจริญวิปัสสนาก็เป็นปฏิปักต่อวิปลาสถ้าเจริญวิปลาสก็ปฏิปักต่อวิปัสสนามั้นก็ดูว่าอะไรมีอา น, นิสงส์มากกว่ากันแล้วก็อย่างน้อยที่สุดตั้งอัธยาศัยที่จะเห็นภายในวิปลาสก่อนนะถึงจะชอบเอาเนี่ยใครเคยเห็นทานอะไรอร่อยนะสมมุตินะปกติเป็นคนที่ท้องเสียบ่อยรู้ว่าอาหารอันนี้นาให้ท้องเสียแต่ตัวเองเป็นคนชอบอนะ ก็ชอบทานนะนะก็คือเห็นเห็นโทษแต่ทานกลับไม่เห็นโทษแล้วทานแต่ก็ท้องเสียเหมือนกันเนี่ยอันไหนดีกกันพูดถึงนั้นหนึ่งนะเห็นโทษแต่ชอบชอบแล้วก็ทานกลับไม่เห็นโทษแล้วก็ชอบแล้วก็ทานอันนี้สอคือท้องเสีย อันไหนดีกว่าคอันบนดีกว่ า, อนนวาขอหนึ่งจะต้องทานน้อยลงสองจะท้องเสียเมื่อไหร่จะต้องแมมแกะละาาคือตั้งอัธยาศาัยเพื่อที่จะเห็นโทษของความชอบก่อนใช่มในที่สุดก็จะเลิกชอบได้ฉันใดผู้ที่ศึกษาคำสอนแรกๆกันนะเอ๊มันก็มันก็ดีทั้งสองอย่างอยู่ว่า ง, งั้นเถอะถ้าเห็นแบบเราๆก็ดีนะ แบบพระพุทธเจ้าว่าก็ตรงอะ่ะก็ชอบทั้งสองอย่างะนะ ก, ก็แยกสองทางเนี่ยนะสาคัญที่สุดคืออันนี้สงเนี่ยสองตัวเนี่ยต้องให้เห็นชัดถ้าเจริญวิปลาสมากอันนี้สองคืออะไรถ้าเจริญวิปัสสนามากมีคุณยังไงเขาเรียกว่าให้เห็นโทษอันนี้นะอันนี้เห็นอ น, นิสองหรือเห็นคุณก็ได้ เห็นอา น, นิสงหรือเห็นกำไรของการเจริญทางการเจริญได้มากได้น้อยอยู่ที่การเห็นโทษกับรู้กําไรานะะเพราะคนที่ขยันหรือไม่ขยันก็อยู่ตรงนี้นะแม้แต่ทางโลกโลกนะใครที่ขยันทำมาหากินก็เนื่องจากสองอย่างนี้เหมือนกันในทางการเจริญสมถาวิปัสสนาก็เนี่ยเห็นโทษกับเห็ น, อ, น, นอานะิสงเนี่ยนะสองอย่างเนะี่ยแต่ถ้ายังไงก็เอาข้อ น, นี้นะข้อ น, นี้อย่าเอาเลยเนะ อันนีอวิชชาตลอดเนี่ยนะเพราะตรงเนี้ยตรงที่เห็นโทษเนี่ยคือคําสอนจะเข้ามาช่วยเราอันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดถึงยังไม่ตรัสรู้ก็ตั้งอัธยาศัยเอาไว้ก่อนว่าจะเห็นโทษนะจะเห็นโทษในตานะจะเห็นโทษของหูจะเห็นโทษนะ ข, ของจมูกเห็นโทษของลิ้นเห็นโทษของกายเห็นโทษของใจอะ่ะถึงยังทําไม่ได้แต่ก็ยอมรับว่าดีเหมือนถามคุณโยมมาบวชกับไม่บวชไหนดีกว่ากันบวช ด, ดีกว่าถามว่าบวชได้เลยไหมล่ะยัง แต่ก็ถามว่าบวชก็ไม่บวชไหนดีกว่าก็ต้องบวชดีกว่าใช่ไหมก็คือยอมรับก่อนนะว่าดีแต่ทําไม่ได้หรือจะได้อีกเรื่องหนึ่งชั้นไหนก็ดีวิปัสสนาหรืออารยมรรคเป็นต้นเราก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ยังเจริญไม่ได้ก็แต่ให้เห็นอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะไอตรงนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมสกตาหรือหรือสัมมาทิฐิเบื้องต้นอันนี้ดีมากนะซึ่งสัมมาทิฏฐิอันนี้อาศัยสุตตะเนี่ยนะที่จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนทิศทางให้เข้าใจเนี่ยนะ แล้ก็โลกุตระจิตเนี่ยถ้าถ้ากล่าวตามทวานนะเออดูจากเนติอัตถิฐานเนติปกรณ์มานิพพานเนี่ยถ้ากล่าวตามปริยายนี้นะนิพพานกล่าวตามปริยายของอทวานหอารมณ์หวิญ ญ, ญ 6, าณหกผัสสะหเวทนาหกมากนะนะเพราะธรรมชาติที่สงบระ ง, งับจากทวาน6อารมณ์หกผัสสะหเวทนาหสัญญาหเจตนาห วิตก6วิจารหกอะไรพวกนี้ธรรมะพวกนี้นิพพานโดยปริยานี้จึงมากแต่จริงๆคืออสังขตาธาตุอันเดียวนิพพานนะมันก็นิพพานนั่นแหละเป็นอารมณ์ของมรรคทีนี้ในบรรดาการเจริญโดยเฉพาะโลกุตระธรรมหรือมรรคเนี่ยตัวประเด็นสำคัญอยู่ที่หนึ่งน ย, ยอมรับว่าทุกมีโทษจริงไหมทุกเหล่านี้มาจากเหตุและหนึ่งดับได้ดับได้ด อันนี้แล้วค่อยมากล่าวถึงวิธีการเนี่ยนะส่วนกล่าวแวะมาถึงยุคนี้นิดหนึ่งจะขอเจริญอย่างเดียวทุกคืออะไรฉันก็ไม่ต้องรู้สมุทัยฉันก็ไม่สนบรรลุที่ไหนฉันก็ไม่ต้องการแต่ฉันจะขอปฏิบัติอาจารย์บอกมาเลยให้ทําอะไรหนึ่งของสามสี่จะให้คุณมุนชูเป็นวิปัสสนาอาจารย์จะแนะนําเขาว่าไงของมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเขา ว่าเราพูดไปมากๆเมื่อไรท่านจะพาปฏิบัติสักทีบอกมาเลยจะให้ทำอะไรก็ว่าไปกนะ็เลยยอมเลยนะเออของมาในยกทงเขาเลยบอกเขาไปหาทงไปหาที่อื่นมั้งของมาบอกไม่ถูกอะ่ะเนี่ยนเนี่ยแล้วแล้วตกลงเนี่ยาจากสอนจะแนะนำยังไงถ้าใครมาถามเขาจะขอหนึ่ง้องสามสี่เลยของมากก็บอกได้หนึ่งคุณไปศึกษาทุกให้เข้าใจก่อน สองทุกมันมาจากไหนดับทุกมันดียังไงทําไมคุณจึงอยากดับอ่ะนะหนึ่งสองสามสี่ไปศึกษาอันนี้ให้เข้าใจก่อนเนีย่ยนะเขจริงๆก็พูดอยู่ทุกวันก็เพื่อให้เห็นอันนี้นะเพราะแต่จเจริญได้มากได้น้อยอยู่ที่ห น, นึ่งอนะหนึ่งสองสามเนี่ยรู้ชัดเข้าใจขนาดไหนเนีย่ยนะพราะถึงจะให้รีบไปอ่ะนะใจะจะรีบเดินยงกรมทั้งวันทั้งคืนเลยนะอันนี้สองก็เท้าแตกอะ่ะเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า มีสมมุตินะมีหมอดีอยู่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพสมมุตินะหมอดีมากเลยรักษาหายทุกโรคชื่อเราก็ไม่รู้จักบ้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ซอยไหนก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอยากเจอหมอคนนี้เหลือเกินนี่ยนะก็เลยออกจากบ้านไปทางเชียงรายเลยไปถนนเส้นเชียงรายแล้วจะไปออกโน่นนะไปออกที่ไหนออกไม่สายแล้วจะข้ามไปฝั่งพมา่ากขาบอกจะหาหมอดีที่กรุงเทพะนะกรุงเทพอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไปเรื่อยนะ ชั้นใดก็ดีนะการสแสวงหาทางแห่งพระนิพพานในตอนเนี้พอพอกันนะก็เลยอันนี้ส์ก็เลยเนี่ยก็ยังเห็นอยู่แล้วนะแล้วก็ในในประเด็นที่สําคัญเนี่ยนะโลกุตระจิตจึงทําความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้มากเพราะถ้าเราเอาโลกุตระจิตเนี่ยนะโลกุตระจิตในความคิดของเราอยู่ที่ไหนเอาถ้าในฐานะนะของเราก็ศึกษากันมาพอสมควรเนี่ยนะโลกุตระจิตของเราอยู่ตรงไหน อยู่ณที่ไหนเนี่ยนะก็เริ่มแล้วกันเอ น, นึกแขวนไว้ตรงไหนดีตรงที่มันเงียบหรือหลับสนิทเลยช่วงนั้นแหละจึงไม่ใช่โดยประการทั้งปงวงมันก็เนี่ยบทสามบทก่อนหน้านี้พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ควรทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าสมุทัยเนี่ยกิตต้องประหารเพราะสมุทัยคือวิปลาสสมุทยที่มีจกักษุคือสมุทยในอดีตแต่ถ้าไม่ละ ว, วิปลาสในจกักษุอันเนี้ย อันนี้คือจะมีสมุทัยต่อไปในอนาคตเราจะยอมหรือจะจะยังไงเพราะนิพพานก็อยู่ตรงไหนตรงที่จะเห็นโทษอันนี้มากไหมถ้าเห็นโทษมากละสมุละวิปลาสอันนี้ได้ น, นิโรธก็ได้ตะบรรลุได้ข้อปฏิบัติที่ไปทําอย่างกล่าวนี่แหละคือมั่งอันนั้อันนั้คือข้อปฏิบัติที่ไปละสมุทัยอ่ะละวิปลาสเนี่ยละยังไงอันในเบื้องแรก ข้อปฏิบัติเพื่อให้ละวิปลาสในจักสู่นะ 1. ตาของคุณนี่อย่าไปดูบางเรื่องนะดูแล้วพรธเจ้าปรับอาบัตเนี่ยนะบางบางอย่างเนี่ยพรเาไม่ให้ดูจริงๆเช่นดูการะเล่นต่างๆนะดูแล้วเป็นอาบัติถ้าเราจะรักษาอุโบโสถนี่ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ห้ามดูก่อน 2. ถ้าดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผิดวินยัยดูยังไงจริงจะไม่มีโลภะอีกอนะก็มาขั้นข้ไปอีกอันนั้นเป็นอินทรีสังวร อินทรีสังวรทีนี้ดูยังไงก็ต้องถ้าดูเช่นอยู่ในเสนาสนะก็เห็นเนี่ยต้องปัจเจกเอาจับผ้ามานุ่งต้องพิจารณาเนี่ยนะแล้วทํายังไงในสิ่งเหล่านี้ต้องเจริญสมถะให้ไดใ้ให้สงบเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดวิปลาสในที่สุดคือคือตามเ ห, า เ, เ, เห็นโดยอนุปัสนาเนี่ยนะเห็นโดยอนุปัสนาเนี่ยนะถ้าเจริญตามนั้นได้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดวิปลาส เพราะในในเนี่ยในสัจจกะถาสัจจกะถากล่าวถึงการบรรลุอริยสัตว์นี่ยานเดียวเอกปฏิเวทะนะถ้าในแง่บรรลุนี่ยานเดียวไม่ใช่หลายยานแต่ว่าต้องทำกิจหน้านี้ก่อนหน้านี้มาก่อนแด้วในคุณชมเปิดหน้า458ไอ้485 ขอ้อเออแปสก็ได้ข้อห้าสี่หข้อห้าสหกล่าวว่าสัจจะสี่มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวเนี่ด้วยอาการเท่าไหร่สัจจะสี่มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการสี่คือด้วยความเป็นของแท้โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของจริงโดยปฏิเวท สัจจะสีท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งด้วยอาการสีน่นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งสัจจะนั้นเป็นหนึ่งบุคคลย่อมแทงตลอดสัจจะหนึ่งด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะสี่จึงมีการแทงตลอดด้วยยานเดียวข้ออื่นๆก็จะอธิบายเริ่มมาสภาพ ค, คล้ายๆกันนั้นจึงบรรลุ ด, ด้วยยานเดียวเนี่ยนะทีนี้ยานเดียวเนี่ยผู้ที่จะตรัสรู้จริงเนี่ยนะเขาเขายัางไง ของเรานี้ในแง่สุตตะนะเรียนไปเถอะเรียนมันจนถึงนิพพานถึงไหนก็เรียนไปเถอะไปได้หรือไม่ได้ค่อยว่าทีให้แล้ก็กำลังจะพูดอยู่นี่ไงลบกระดานก่อนขอวเวลานิดนะบพราว่าหนึ่งนะถ้าเป็นทุกข์เนี่ยต้องรู้ว่าปีละนะ อ่นะนะต้องยอมรับในสภาพที่เบียดเบียนใช่ไหมเออเนี่ยตัวเบียดเบียนตัวทุกเนี่ยคือตัวเบียดเบียนอย่างหนึ่งทุกนี้เป็นอะไรสันตาปะนะเป็นของร้อนอย่างแท้จริงอ่ะนะเนี่ยตัวทุกแหละตัวร้อนตัวสังคตะก็ตัวทุกอีกนั่นแหละแล้วก็อีกคําหนึ่งคือ วิปริณามะอย่านะัตัวแปรปรวนตัวไหนก็ตัวทุกข์นะนะแล้วสมุทัยในฐานะอะไรอายุหันะคือตัวที่ประมวลมาเนี่ยนะอายุหนะัะประมวลมาแล้วก็สมุทัยนี่เป็นเหตุเนีย่ยนะเป็นเหตุที่นํามาซึ่งซึ่งทุกข์แล้วก็ สังโยกโยค่าแปลว่าประกอบเป็นตัวประกอบเอาไว้กับทุกข์กับปริพภเนี่ยนะปริพภ o ก็กังวลใช่ั้มมันกังวลให้อยู่กับทุกข์กันนะทีนี้ส่วนอันนแทงตลอดนิโรธก็คือนิสรณะนิสรณะวิเวก เป็นธรรมชาติที่วิเวกแล้วก็อสังคตเนี่ยนะแล้วก็อามตะส่วนมักเป็นนิยานิกะตัวที่นำออกจากทุกเนี่ยนะนิยานิกะสอง เป็นเหตุมักนี่ก็เป็นเหตุเหมือนกันเหตุที่จะให้บรรลุนิพพานอ่ะนะแล้วก็มักทัศนะคือเห็นเห็นนิพพานอ่ะนะแล้วก็อธิปไตยะอธิปไตยอ่ะใหญ่มากมักเนี่ยใหญ่อันนะทั้งทังหมดเนี่ยเขาเรียกว่าแทงตลอดด้วยยานเดียว แต่ว่าถ้าถ้าไม่น้อมไปพิจารณาแบบนี้มากๆโอ้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นอยู่แล้วท่านก็บอกว่าชอบชื่นชมแล้วก็ความอัตตาท่านใช้พูดบ่อยๆว่านิพพานเนี่ยรู้ไม่ได้ในปุตุชนทั้งหลายโดยที่สุดแม้ความฝันใครเคยฝันมาบรรลุนิพพานบ้างไม่ได้อยู่แล้วนั่นโอ้ฝันมันนิพพานเป็นอย่างนี้นี่เองนะไม่มีมีแต่เรื่องอื่นนะนะนฝันไไหนก็ไม่รู้ แล้วก็อันนี้เรียกว่าัท่านบอกว่าอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับฝั่งนี้ฝั่งโน้นกระแสน้ำเรือเรือบรรทุกสินค้านะ ขนเพชรพลอยเต็มไปหมดเลยเรือลนี้เรืออ่นะฝั่งนี้คืออะไรเมื่อพึงทราบอุปริรายว่าฝั่งนี้คือทุกขสัตย์ห่วงน้ำเนี่ยนะน้ำคืออะไรโอคะโอคะสมุทัยสัตว์ฝั่งโน้นเป็นนิโรสัตว์เรือเป็นมังคสัตร์เนี่ยนะ ตัวสาระจริงๆอยู่ที่ตัวสินค้าใช่ไหมแต่สินค้าที่บรรทุกนี่มันต้องตัดกระแสน้ำท่านก็บอกว่าหนึ่งเท่ากับละฝั่งในละฝั่งในก่อนนะเพื่อถึงฝั่งนอกตัดกระแสน้ําตัวเรือนะตัดกระแสน้ําแล้วก็ขนสินค้าไปตัวสินค้านี่เหมือนมรคสัตว์ที่อยู่ในเรือเนี่ยนะท่า น, นก็ไอตัวที่จะโอนถ่ายขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นสู่ฝั่งก็คือรัตนะที่อยู่ในเรือ แล้วตัวเรือถ้ายังอยู่ในน้ําอยู่ก็ยังเป็นทุกขสัตว์นะก็ถือว่ายังเกี่ยวข้องกับฝั่งนี้อยู่ดีแต่ถ้าขึ้นบกเมื่อไหร่แล้วจึงจะเป็นนิโรศสัตว์เขาบอกว่าเพิ่งเห็นด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ข้ออุปมาหรือเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะประทีปที่จุดขึ้นอันหนึ่งไม่เทียนนะไขาจะหมดไม่ไม่ไมเปลวไฟจะเกิดขึ้นแล้วก็กําจัดความมืดฉันใดนะเวลาจุดเทียนติด ก, กับบรรลุอริยสัตว์นี่จะทํากิจ แบบเดียวกัน น, นั่นนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าในแง่นเนี้ยจะชัดนะ่คือที่ใช้คําว่าเรือบรรทุกรัตนะเพราะว่าผู้ที่จะเจริญเนี้ยต้องเต็มไปด้วยศรัท ธ, ธาเป็นเป็นแก้วนะรัตนะแปลว่าแก้วอะ่ะแก้วที่ที่มีคุณค่ามากะนะต้องมากไปด้วยศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาคุณธรรมอะ่ะขนถ่ายออกจากฝั่งนี้แล้วต้องตัดกระแสน้ําซึ่งเหมือนสมุทยัยสัตตั ด, ตดนะเพื่อที่จะขึ้นขึ้นฝั่งนั่นนะ อันนี้ก็เป็นอัดของการบรรลุอริยศาสตร์ส่วนรายละเอียดก็ผู้ศึกษาพึงศึกษาเนี่ยจากสัจจกะถาปฏิสัมพิธามมัชหรือว่าทัศญานะทัศนวิสุทธิวิสุทธิมัชแล้วก็มีในสัจจวิพังนะนะสัจจวิพังก็พอมีแล้วก็ไปคนๆเอานะแต่ว่าภารกิจที่เหลือก็คือหนึ่งในอย่างที่กล่าวว่าเออทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดนะ ทำยังไงจะละวิปลาสในทุกได้นะถ้าจะตั้งสมาทานแต่ปฏิบัติก็อนะันนั้นทีนี้ถ้าว่าโดยกิจโดยกิจนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทุกขสัตว์มีกิจยังไงทุกขสัตว์นะปริญญากิจสมุทัยปหานากิจนิโรธสัจิกิริยาทาให้แจ้งมรรคก็เป็นภาวนา อันนี้เรียกว่าสัจจะกรรมฐานนะอันนี้เป็นกรรมฐานที่ต้องทําความเข้าใจให้ให้ละเอียดให้เพียงพอน ะ, ะก็คือเนี่ยทำความเข้าใจในพวกนี้ให้บริบูรณ์แล้วสงเคราะห์คําสอนเนี่ยอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเอาเอาความรู้อันนี้มาแปะลงที่ตาเอา น, นั่นนะผู้ ก, การก็ใช้คำว่าเออเนี่ยไปเข้าห้องแลหอบนะเรียนให้เข้าใจก็หนักแล้วนะไปเข้าห้องแลบเอาอีก เล่มที่จับกลางวันเนี่ยเล่มนั้นแหละเดี๋ยวพักนั้นก่อนนะ